เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายทุกๆท่านวันนี้เป็นวันศุกที่ย5่พฤศจิกายนพุทธศักราชสองพเป็นวันพระวันธรรมสวรรวันฟังธรรมเป็นวันประเสริฐ ก็เป็นวันที่ศรัทธ า, ายาโยมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างพระให้แก่ตนเองการสร้างพระนี้ก็มีอยู่ได้สองรูปแบบด้วยกันคือการสร้างพระพุทธรูปที่เราเอามากราบไหว้บูชากับการสร้างพระที่มีในใจของเรา การสร้างพระพุทธรูปต่อให้สร้างรูปใหญ่โตขนาดเท่าภูเขาก็ตามหรือสร้างเป็นร้อยเป็นพันรูป ก, ก็สู้กับการสร้างพระที่ในใจของเราไม่ได้เพราะพระที่เราสร้างในใจนี้แหละคือพระแท้พระที่เป็นสระนังกัจฉามิ ของพวกเราส่วนพระพุทธรูปที่เราสร้างลอบประดิสฐานไว้ตามสถานที่ต่างๆนั้นไม่ใช่เป็นพระแท้เป็นเพียงสั ญ, ญลักษณ์เป็นองค์แทนเป็นรูปเหมือนพระแท้ซึ่งพระแท้นี้ต้องอยู่ในใจของเราในสมัยพระพุทธกาล มีพระรูปหนึ่งได้สร้างพระพุทธรูปขึ้นมารูปหนึ่งเพื่อนำอาไปถวายพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านี่ไม่ใช่ตัวเรานี่ไม่ใช่ตถาคตตถาคต น, นั้นอยู่ในใจของผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ถึงจะสามารถมีดวงตาเห็นธรรมได้เมื่อมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็จะเห็นเราตถาคตพระอง์ทรงตัดว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ที่เห็นตถาคตก็คือผู้ที่เห็นธรรมนี่เองผู้ที่จะเห็นธรรมได้ก็ต้องเป็นสุปฏิปโนโอุชุ อย่าอยากสามีจิตปฏิปโนเท่านั้นการเป็นพระจึงไม่ได้ อ, อยู่ที่ร่างกายผู้ที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเจนพระจะเป็นพระเสมอไปคำว่าพระนี้แปลว่าผู้ประเสริฐผู้ที่จะประเสริฐได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม คือมีศีลมีธรรมมีดวงตาเห็นธรรมพระในพระพุทธศาสนานี้มีอยู่สี่ระดับด้วยกันเรียกว่าพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันพระสกิฬาคามีพระอนาคามีและพระอาหารหันต์นี่คือพระแท้ ที่เกิดจากการศึกษาและการปฏิบัติพระทรรมคำสอนของพระ พ, พุทธเจ้าดังที่ญาติโยมทั้งหลายได้มาบำเพ็ญมาศึกษามาปฏิบัติกันีน่แหละคือวิธีสร้างพระแท้ให้เกิดขึ้นกับตนไม่จำกัดว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นนัก บ, บวช หรือเป็นคารวาทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นพระผู้เสิยไน้ะเสิฐภายในใจเิฐด้วยความคิดที่ที่ดีเยิยด้วยการพูดที่ดีเิฐด้วยการกระทาที่ดีนี่คือเครื่องวัดความเป็นพระวัดด้วยการกระทํา ทางกายทางวาจาและทางใจถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีถึงแม้จะนุ่งเหลืองห่มเหลืองก็ไม่ถือว่าเป็นพระถ้าถ้าคิดดีพูดดีทำดีถึงแม้ไม่ได้ห่มเหลืองก็ถือว่าเป็นพระในสมัยพระพุทธการมีพระอริยบุคคล ที่ไม่ใช่เป็นนักบวชเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับพระอริยบุคคลที่เป็นนักบวชก็เป็นก็มีเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันเพราะบุคคลเหล่านี้ท่านเป็นพระด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยการบำเพ็ญด้วยการประพฤติคือคิดดีพูดดีทาดีนั่นเองดังนั้น อย่าไปหลงสร้างพระข้างนอกให้เสียเวลาไปเปล่าๆสร้างพระภายนอกก็ได้เพียงเป็นทานบา ร, รมีเท่านั้นเองยังไม่ใช่เป็นปัญญาบา ร, รมีที่จะทำให้เกิดมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาการที่จะเกิดปัญญาบา ร, รมีก็จาเป็นจะต้องมีเนคขมะบา ร, รมี มีอุเบกขาบารมีมีทานบารมีมีศีลบารมีเป็นเครื่องสนับสนุนเพราะปัญญาในทางพระพุทธศาสนานี้ไม่เหมือนปัญญาทางโลกปัญญาทางโลกนี้ไม่ต้องมีทานบารมีไม่ต้องมีศีลบารมีไม่ต้องมีเนคข ม, มะบารมีก็สามารถมีปัญญาได้รักปัญญาได้ จบปัญญาตรีโทเองได้ไม่จําเป็นจะต้องรักษาศีลห้าไม่จําเป็นจะต้องฝึกสมาธิไม่จําเป็นจะต้องทําบุญให้ทางแต่ปัญญาทางพระพุทธศาสนานี้เป็นตปัญญาที่อยู่เหนือโลกการที่จะอยู่เหนือโลกได้ใจก็จะต้องมีการประพฤติ ท, ที่เหนือโลกเช่น เป็นใจที่ให้ทานเสียสละเป็นใจที่มีสี่ไม่เบียดเบียนผู้เป็นใจที่มีความสงบตั้งมั่นเป็นอุบเบกขาถึงจะทำให้ปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้ความรู้ทางโลกกับความรู้ทางธรรมนี้ต่างกันมาก ความรู้ทางโลกนี้เป็นความรู้แบบท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคือถึงแม้จะเรียนจบถึงขั้นตรี ญ, ญิาเองแต่ก็ยังไม่สามารถป้องกันไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาได้ไม่สามารถดับความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นมาได้แต่ความรู้ทางธรรมนี้หรือปัญญานี้ เป็นความรู้เหนือโลกเป็นโลกุตตธรรมเป็นธรรมเป็นความรู้ที่ทำให้จิตนี้อยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายได้ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ในรูปแบบใดก็ตามจะไม่สามารถที่จะเข้ามาในจิตใจของผู้ที่มีโลกุตตะธรรมมีความรู้เหนือโลกนี้ได้เลย นี่คือความแตกต่างระหว่างความรู้ของทางโลกและความรู้ของทางธรรมความรู้ทางธรรมนี้ถ้าได้เรียนอย่างเดียวก็ยังไม่ถือว่าเป็นความรู้ที่แท้จริงเช่นการได้ยินได้ฟังธรรมะได้อ่านหนังสือธรรมะนี้ก็เป็นความรู้แต่เป็นความรู้ที่ยังไม่ สามารถดับความทุกข์ภายในใจได้ยังต้องเอามาพัฒนาอีกขั้นหนึ่งคือต้องเอามาปฏิบัติปฏิบัติทานสีลสมาธิและปัญญาถึงจะเกิดถ้าศึกษาเฉยๆนี้ก็จะเป็นสัญญาคือความจำได้ความจำนี้ไม่สามารถต่อสู้กับกิเลสได้ เพาเวลากิเลสที่มาสร้างความทุกข์นี้ปรากฏออกมาความจําในธรรมะต่างๆก็จะหายไปหมดเลยไม่สามารถที่จะนาําเอามาต่อสู้กับกิเลสได้แต่ถ้าเป็นปัญญานี้เวลาเกิดความทุกข์เกิดกิเลสขึ้นมาความรู้นี้จะออกมาต่อสู้กับ กิเลสต่อสู้กับความทุกข์ได้ทันทีจะไม่จางหายไปเหมือนความรู้ที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาดังนั้นความรู้ที่ได้ศึกษามานี้จำเป็นจะต้องนาเอามาพัฒนาเพื่อให้อยู่กับใจต่อไปคือต้องเอามาพิจารณาอยู่เรื่อยๆลำลึกอยู่เรื่อยๆทุกล ม, มหายใจเข้าออกเีย ถึงจะเป็นความรู้ที่จะเอามาดับความทุกข์ได้เอามาดับกิเลตัณหาเอามาดับความหลงได้ <c oughs> <c oughs> ดังนั้นเวลาที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต้องนำเอาไปไข้ควรพิจารณาต่อไป ให้ลำาลึกอยู่เรื่อยๆให้คิดอยู่เรื่อยๆ mm hmm. เช่นวันนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องพระสองแบบด้วยกันพระแท้กับพระปลอมพระไม่แท้พระไม่แท้ก็คือพระที่อยู่ภายนอกใจเช่นพระพุทธรูปต่างๆที่เรากราาวไหว้บูชากันยังไม่ได้เป็นพระแท้เพราะยังไม่สามารถ ดับความทุกข์ภายในใจของเราได้เวลามีความทุกข์แล้วมานั่งอยู่หน้าพระขอพรให้ช่วยดับความทุกข์นั้นท่านก็ไม่สามารถดับความทุกข์ให้กับเราได้แต่ถ้าเรามากราบพระแล้วเราลำลึกถึงพระธรรมคำสอนของพ่อตเจ้าที่สอนให้เราปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบ ที่สอนให้เราปล่อยวางที่สอนไม่ให้เรายึดติดกับสิ่งต่างๆถ้าเรานำลึกถึงคำสอนเหล่านี้ได้เราจะสามารถเอาคำสอนนี้มาดับความทุกข์ภายในใจของเราได้เพราะความทุกข์ในใจของเรานี้ก็เกิดจากความหลงไปยึดติดกับสิ่งต่างๆนั่นเองพอ สูญเสียสิ่งต่างๆไปหรือกำลังจะสูญเสียไปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะมีความอยากไม่ให้สูญเสียไปนั่นเองอยากให้อยู่กับตนไปตลอดอยากให้เป็นของตนไปตลอดพอมีการสูญเสียมีการพลาดพาคจากกันขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ กราบพระไหว้พระขอพรอย่างไรก็ไม่สามารถดับความทุกข์ทรมานใจได้นอกจากลำลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเพราะไม่มีอะไรเป็นของเรานั่นเองไม่มีอะไรอยู่กับเราไปตลอดไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปล ง, ม, ปลปลงมีการเกิด มีการดับอยู่ตลอดเวลานี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาพิจารณามาเจริญอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าไม่คิดไม่พิจารณาอยู่เรื่อยๆเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาความรู้เหล่านี้จะไม่มาช่วยเราในการดับความทุกข์ได้แต่ถ้าเราคิดอยู่เสมอพิจารณาอยู่เรื่อยๆ ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วรับรองได้ว่าเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นมานี้จะสามารถดับความทุกข์ได้ทันทีเลยเพราะจะปล่อยวางสิ่งที่ไปหลงยึดติดไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะรู้ว่าไม่อยู่ในอำนาจที่จะไปควบคุม บ, บังคับไปสั่งให้เขาเป็นไปตามความต้องการได้ นี่คือความรู้ที่เป็นแสงสว่างแห่งทางที่จะทําให้มีพระอยู่ในใจเป็นที่พึ่งของใจปกป้องรักษาใจไม่ให้ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆไม่ให้ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆไม่ให้ทุกข์กับบุคคลต่างๆเพราะจะไม่ยึดไม่ติดกับ บุคคลต่างๆเหตุการณ์ต่างๆสิ่งต่างๆนั่นเองจะปล่อยวางจะปล่อยให้เป็นไปตามความจริงเวลานี้หนาวก็จะไม่ไร้ยอยากจะให้มันร้อนเวลาร้อนก็จะไม่ได้ไปอยากให้มันหนาวหรือเย็นเวลาฝนตกก็จะไม่ได้ไปอยากให้ฝนหยุด เวลาน้ำท่วมก็จะไม่ได้ไปหยากไม่ให้ท่วมเวลาเป็นอะไรก็รับรู้ต่างความเป็นจริงแล้วปรับตัวเองให้อยู่กับความจริงนั้นให้ได้เช่นเวลามีใครจากเราไปเราก็ต้องปรับตัวเองให้อยู่กับตัวเราเองอยู่คนเดียวให้ได้เมื่อก่อนเราอยู่กันสองคนแต่ตอนนี้เหลืออยู่คนเดียวแล้ว เราก็ต้องปรับตัวเราเองให้อยู่กับคนเดียวอยู่กับตัวเราให้ได้ถ้าเรามีปัญญาเราจะทําอย่างนี้เราจะไม่ไปแก้ในสิ่งที่เราแก้งไม่ได้ mm hmm. เช่นไปอยากให้คนที่ตายไปแล้วฟื้นกลับมาหรืออยากจะให้คนที่เข้าทิ้งเราไปแล้วหวนกลับมาหาเราอีก mm hmm. คิดไปอยากไปให้เสียเวลาเปล่า ให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรสู้ยอมรับความจริงดีกว่าว่าเขาไปแล้วเขาไม่กลับมาแล้วตอนนี้เขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่เราอยู่ตัวลาพังได้เพราะเมื่อก่อนนี้เราก็ไม่เคยอยู่เราก็ไม่ได้อยู่กับเขามาก่อนทำไมเราอยู่ได้เวลาเรามาเกิดเราก็ไม่มีใครมากับเรา เรามาตัวเปล่ า, เ, ลาเราก็อยู่ได้พอตอนนี้เราต้องอยู่ตัวเปล่ า, ลาทำไมเราอยู่ไม่ได้นี่คือปัญญาถ้าพิจารณาวิเคราะห์แล้วก็จะไม่เดือดร้อนกับการพัดพาจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆไปเพราะเราสามารถอยู่ตามลำพังได้นั่นเองแต่กิเลสต่งาง ที่เป็นตัวที่ไม่อยากจะอยู่ตามลําพังกิเลสตัณหานี่แหละเป็นตัวที่มาหลอกให้เราว่าต้องมีคนนั้นคนนี้อยู่ด้วยต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่กับเราด้วยถึงจะมีความสุขถ้าไม่มีคนนั้นคนนี้ไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้เราจะอยู่อย่างมีความทุกข์นี่เป็นความหลงที่หลอกใจ ให้ต้องออกไปหาบุคคลต่างๆหาสิ่งต่างๆมามาแบบมาสร้างความทุกข์ให้กับตนพอไปหาสามีหาภรรยาได้ภรรยาได้สามีมาก็ต้องมาทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาถ้าสามีหรือภรรยาดีก็ทุกข์ด้วยความหวงด้วยความห่ ว, ว, ว, หวถ้าสามีหรือภรรยาไม่ดี ก็ต้องทุกข์กับความโหดร้ายทารุณของเขาต้องทุกข์กับการทะเลาะวิวาท ก, กันต้องทุกข์กับการการเจอหน้ากันเวลาเจอหน้ากันทีไรก็จะเกิดความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจถ้าเขาเป็นคนดีก็จะคอยหวงคอยห่วงเวลาไม่เห็นหน้าก็จะวิตกกังวลว่าเขาไปไหนหายไปไหน เป็นอะไรไปรี้ป่าเวลาที่เขาจากเราไปก็จะทุกข์ทรมานใจนเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าไม่มีสามีไม่มีภรรยาอยู่ตามลาพังได้ก็จะไม่ต้องมาทุกข์กับเขานั้นเองแล้วถ้ายังไม่พอมีสามีมีภรรยาแล้วยังไม่ทุกข์ยังไม่พอก็มีลูกมาเพิ่มอีกจะได้ทุกข์กับลูกเพิ่มขึ้นไปอีก มีลูก ม, มีมีลูกนี้ทุกมากนี่กว่าสามีกับภรรยาเพราะจะต้องเลี้ยงดูลูกให้เจริญเติบโ ต, ต, ตขึ้นไปจนกว่าเขาจะช่วยตัวเขาเองได้นี่เป็นความหลงที่หลอกให้ใจไม่อยู่ตามลำพังไม่อยู่คนเดียวไม่อยู่แบบไม่ต้องมีอะไรหลอกให้ไปกว้านเอาความทุกข์ต่างๆมา นอกจากบุคคลแล้วก็ยังไปกว้านเอาความทุกข์จากลาบยศสารเสริญมาอีกเอาเงินทองมาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับเงินทองพอมีเงินทองแล้วก็ต้องรักษาต้องดูแลแล้วแล้วก็ต้องอาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขมาให้เวลาไม่มีเงินทองก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา าะไม่สามารถซื้อความสุขต่างๆได้เวลามียศมีตำแหน่งก็ดีอกดีใจแล้วก็เกิดความหวงความหวงขึ้นมากลัวจะเสื่อมยศไปกลัวจะถูกปลดไปก็ต้องดิ้นรนต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้รักษายศรักษาตำแหน่งเอาไว้เช่นเดียวกับเวลามีการสรรเสริญ ก็ดีอกดีใจแต่พอถูกนินทาตำหนิคารหาว่ากล่าวก็เกิดความไม่พอใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เขามาคู่กันมีเจริญมีเสื่อม น, นั่นเองมีเจริญลาบก็ต้องมีการเสื่อมลาบมีเจริญยศก็มีการเสือ่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทา มีสุขก็ต mm ้อ hmm งมีทุกข mm ์สลับกันถ้าอยากจะมี mm hmm. มสุขก mm ับคนนั้นคนนี้ก็จะต้องทุกข์กับคนนั้นคนนี้ถ้าอยากจะมีความสุขกับเงินทองก็ต้องทุกข์กับเงินทองถ้าอยากมีความสุขก <2019. S 1> mm ับยศถาบรรดาศักดิ์ก็จะต้องทุกข์กับยศถาบรรดาศักดิ์ถ้าอยากจะมีความสุขก mm ับความสรรเสริญก็จะต้องทุกข์กับความนินทา แต่ถ้าไม่สนใจกับเรื่องราวล่านี้อยู่คนเดียวได้ไม่ว่าจะมีเงินหรือไม่มีเงินไม่ว่าจะมียศหรือไม่มียศไม่ว่าจะมีการสรรเสริญหรือไม่ก็ตา่าง mm. ก็จะไม่เดือดร้อนเวลาที่าะลาภยศสรรเสริญสุขนั้นเสื่อมไปนี่คือปัญญาทางพระพุทธศาสนาเป็นปัญญาที่จะทำให้ใจนี้ อยู่เหนือความทุกข์ต่างๆได้ทุกวันนี้พวกเราที่ทุกข์กันก็ไม่ได้ทุกข์กับเรื่องอะไรหรอก็กทุกข์กับเรื่องลาบยศสารเสริญสุขนี่เองต้องวุ่นวายกับการหาราบหายศหาสารเสริญหาสุขกันแทบเป็นแทบตายแล้วก็ต้องมาทุกข์กับลาบยศสารเสริญสุขเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเวลาที่มีการดับไปแต่ไม่เคยคิดพิจารณาเลยว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากความหลงของตนเองกลับไปคิดว่ามีไม่พอต้องหาให้มีมากๆยิ่งขึ้นไปเพื่อจะได้ดับความทุกข์ได้แต่หารู้ไหมว่ายิ่งหามากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องทุกข์มากขึ้นไปเท่านั้นเพราะเป็นเหมือนกับการแบกน้ำหนักนั่นเอง ถ้าน้ำหนักน้อยก็ไม่หนักมากถ้าน้ำหนักมากก็จะก็จะหนักมากดังนั้นขอให้เราจงน้อมเอาพระธรรมคำสอนของ พ, พ่อพทธเจ้ามาพิจารณามาสอนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าเราอยู่ในโลกของอนิจจ์คือความไม่เที่ยมแท้แน่นอนเราอยู่ในโลกของการเกิดการดับ เราอยู่ในโลกของการเจริญและเสื่อมเราอยู่ในโลกที่ไม่มีอะไรเป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ในขณะ น, นี้ไม่ใช่เป็นของเราและเราจะต้องคืนเขาไปทั้งหมดเวลาเราจากโลกนี้ไปเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยถึงเวลาเขาจะมาทวงคืนไปหมดจะมาเอาราบรดสารเสริญสุขไปมาเอาร่างกายนี้ไป แล้วเราก็ต้องไปตัวเปล่าๆสิ่งที่เราเอาไปได้ก็คือปัญญาหรือความหลงนี้เองถ้าเราศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีปัญญาเราก็จะเอาปัญญาที่จะเป็นแสงสวา่างนำทางให้เราไปสู่สุขติไปสู่มรรคผลนิพพานถ้าเราเอาความหลงไป เราก็เอาความมืดบอกไปเราก็จะไปสู่ทุกขติดังนั้นขอให้พวกเราจงมาสร้างปัญญากันดีกว่ามาสร้างแสงสว่างแห่งธรรมกันดีกว่าอย่าไปสร้างลาบยศสารเสริญล่าสุดเลยเอาให้เรามาสร้างปัญญาด้วยการนั่งสมาธิด้วยการรักษาสี ด้วยการทำบุญให้ทานเพราะนี่เป็นธรรมที่เป็นขั้นขั้นที่เราจะต้องทำไต่เต้าขึ้นไปจากขั้นต่ำไปสู่ขั้นสูงเวลาเราจะขึ้นเดินขึ้นไปอาคารสูงๆได้เราต้องขึ้นไปทีละชั้นจากชั้นล่างก็ขึ้นสู่ชั้นที่หนึ่งหรือชั้นที่สองแล้วก็ชั้นที่สามชั้นที่สี่ไปจนกว่าจะถึงชั้นที่เราต้องการไปชั้นใด เราต้องการแสงสว่างแห่งธรรมเราต้องการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเราต้องการมรรคผลนิพพานเราก็ต้องไต่จากขั้นต่ำขึ้นไปคือไต่ตั้งแต่จากขั้นทานแล้วก็ขึ้นไปขั้นศีลแล้วก็ขึ้นไปขั้นสมาธิแล้วถึงค่อยไปถึงขั้นปัญญาพอถึงขั้นปัญญาแล้ว ก็จะถึงขั้นมรรคผลนิพพานถึงการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่เป็นทางที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาแล้วนำเอามาสั่งสอนให้กับสัตว์โลกทั้งหลายอย่าไปข้ามขั้นตอนเพราะข้ามไม่ได้ข้ามแล้วเดี๋ยวก็จะตกลงมาต้องทำไปตามกำลังตามขั้นของตนตอนนี้ทำทางได้ก็ทำไป ทำไปเพื่อจะให้จะได้ขึ้นไปสู่ขั้นที่สองพอได้ขั้นที่สองแล้วก็ก็ทำต่อไปก็จะได้ขั้นที่สามพอได้ขั้นที่สามทำต่อไปก็จะได้ขั้นที่สี่ตามลําดับไปแล้วก็จะได้ผลต่างๆที่ต้องการอย่างแน่นอนนี่คือวิธีการสร้างพระที่แท้จริงสร้างที่ในใจของเรา สร้างด้วยสุปฏิปันโนอุชุ ป, ปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนคือปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์ปฏิบัติชอบที่พระพุทธเจ้าและพระอริยรสงสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันมาจนได้บรรลุปเป็นพุทธังธรรมังสังฆังสรนังกัจฉามิ เป็นที่พึ่งของพวกเราพวกเราถ้าปรารถนาความบุดพ้นดังที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารโลทั้งหลายได้หบุดพ้นกันเราก็ต้องปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เองเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราก็จะได้เป็นพระขึ้นมาเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาเป็นผู้อยู่เหนือโลก เป็นผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายของโลกได้อย่างถาวรจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดในวันพระเพื่อมาสร้างพระให้เกิดขึ้นในใจนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิพิ จ, จารณาและปฏิบัติเพื่อความประเสริฐเพื่อความเลิศเพื่อความเป็นพระที่จะตามมาต่อไป